ไอ่เฝล่าเปล่าเนี่เปล่าทําความภาคคมเพียนรซะทุกจริงทุกอย่างเมื่อคอยต่อมขมาต่อมขม่าเลยเด็กตอ ม, ขมเขาม่าเมื่อแล้วผู้มาอาจารย์จะเมดเขา่าเมดเข่าแล้วบรรดาหลวงพูทั้งหลายเนี่ยเมดเยี่ยงเลยได้บ้านี่ยเดินน้องไข่เมื่อน้องไข่เนี่แปนเ อ, อเิดเสริฐเลยบ้เนเดืออุดอรนี่อยู่สามหลวงพูบรรดาหลวงพูอัญษา กับร okay. in ูปวัดโค่ทนเด็เดี๋ยวเท่านั้นอยากดีอะไรเฝ้าดีซะเฝ้าเฮ็ดซะยอสิฮักคุดแต่วางเพิงผ ah ู้น uh ั่นผู้น ah ี้วังเพิงใบบุญวังเพิงโฮมโพ้โมไส้ทนจะไปคุดยังสั่นอยู่หลายจนว่าสิตายอยู่นะเว้ยใกล้สิตายเล้วก็ยังสิคุดเพิงหฮมโป้โมไสอยู่เศ้าเศ้าอันเนี้เศ้า บบป้เห็ดยัดเจ้าของสีเงึน้นมาสีแข็งแรง้นมาสีเพิงเจ้าของใดเน่ะอันเพิงเจ้าของใดคือเจามีคันหมหนีู่ว่าถือไปเท่กับกัง่งกระโดดดงสั่นอันนี้บ่มีแต่จิไปถา่าจะสนเพิ่นบอดีแน่นบอดีเอาไหมแป้าเห็ดหมไว้แตกังไวเจ้าของซะแปทํทำความเทียนให้พืชย่านเนี่ย ขันคืดญาตเอาขันวายญาตยญาตคพ่วทุกันมากญาติพ่วงทุก ม, มากครับส่วิดเดี่ยวทมเพี้ยนหาหมองติดส้นที่เพิงไวเ้เสมอีอย่างหมองคเน เ, งเดี่ยวส้นเดี่เพิงปึกใหญ่เจาะของไว้ใหญนี่แหละเาทาติเพิงได้ขันเม้นใจเขาโบาท่านเก่งเขากับเพิงนี่แหะเพิงอันโบเก่งนี่แหละขันใจเขาเก่งเขากับเพิงได้ ท, ทั้งสปอร์ตให้หรือว่าสั้นเลี้ยงวิธีการวิธีฝึกใจก็ บ, บรรยากันยังนี่นางอยู่สี่ซ่อมเจ้าของจะไปหาซ่อมเจ้าผู้อื่นหลายซ่อมดีแต่แพ่เราซ่อมผู้อื่นอันบ่ได้ยังให้ซ่อมเจ้าของได้คนซ้อมเจ้าของแล้วมันได้เลยดอกแม้วมันจะได้เกิดขึ้นมาในใจมันจะได้พุ่มผู่เมื่อเจ้าของสท่าัน อันควบยานเนี่ยยานเลกน้อยมันดี่ดอกย่าน้าผู้ว่าการคนมาเห็นเข้าเข้าเห็ดอย่างบอดีเข้าบ่ออย่งพอดีเขาคึดนอย่ง บ, ด บ, บ, อ, งบดอดีอัน้าคนมาเห็น้าคนซองสอดมาเห็นมันก็จริยเกี่ยวอยู่ของเขาจั๊กดีอยู่แค่ว่าญานหลายพดีดอกย่านโพดก็ไปก็บอดีญ่านพ่อซำนึ่งย่านพ่อสู่ได้ยานอยู่อันสูอยู่เนี่ย เป็กที่ดีภววาวนาเป็นพันผู้ยานหลายโคตรเนี่อเก อ, อีหละตื่นโคโผโคตก็ เ, เ, เกิดเกเสรงไปหนด่เป็นบา่าเป็นหลังไปยังแต่งนบ่บ่เขาไท้อกละ่ะให้ซ่อมเนี่ยหาเอาคว่พอดีจของนี่แหละมันขันหาบุพเอจนตายดิเขาแล้วก็ยังหาบุพเดอจนตายเนล่ะหาบุพเอเลยตายไปแบบก็ หน้าตามึดหมึ ด, มดเดียวยังก็บ เ, เห็นอ่ะตายไปงมไปงมมากก็แบบจูงมากคือจะจูงง่วน่นี่จูงมากเอาเกิดนี่เดอ้อประตูเดอ้อเกิดดีเดอ้อไม่ตู้อะไรอยเ้ยมาเกิดขวบขึ้นมาอีกนะะทุกขทีสงสารเดอ้อ